พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่16ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอยู่ที่ใจ วันนี้เป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2556วันที่19เป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันที่27เป็นวันกระถินของพวกเราเ น, นาื้อคณะสัตยาติโยมวันที่26กระถินวัดป่าบ้านตาดเพื่อสมทบ สร้างเจดีอะไรหลายๆอย่างที่ท่านประกาศออกมาออแต่วันที่27เป็นวันทอดกระถินวัดของเราแล้วก็วันที่19ที่จะถึงเป็นวันออกพรรษาวันปรวรณาของพระสงฆ์วันนี้เป็นวันที่16อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็ เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่ อ, องคงจะได้ไปประจําไปดูแลงานของหลวงปู่จามเพราะว่าหลวงปู่จามได้เลื่อนลงมานะแต่ก่อนมันเป็นวันที่สิบแปดมกราห้าเจ็ดแต่ได้เลื่อนลงมาวันที่ห้า บระ น, นางคณะัตายาติโยมผู้ที่จะไปในงานพระราชทานสรีระของหลวงปู่จามก็เนี่ยะตามที่หลวงพ่อได้ประกาศหลวงพ่อเองก็ได้ประกาศไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกันแล้วก็จวนจะออกพรรษาแล้วต่อไปนคงจะมีะงานกระถินแ คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรถ้าจะว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่พวกเราจะต้องช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาถ้าผู้คิดได้อย่างนี้ก็ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี่พวกเราเป็นพุทธรรบริษัทเข้าหุ้นในบริษัทควรจะส่งเสริมบริษัทตัวเองที่เราได้รับ คุณงามความดีได้รับคุณกุศลจากบริษัทได้รับผลประโยชน์จากบริษัท ต, ตั้งแต่เราเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สอนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักเคารพวัยวุฒิคุณวุฒิให้เคารพพูมีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาถึงพวกเราเราได้รับเค ก, กื้อกูลหนุนแต่โดยมากคนไม่ค่อยมองเห็นเรื่องนามธรรม เ, เรื่องผล เรื่องผลที่ให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อเรามองเห็นแต่อีกเป็นรู ป, ปรธรรมแต่ม น, นา ม, มะธรรมเหล่านี้น่ะที่ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาสอนให้พวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักพัะคุณของบิดามารดาไวยวุฒิคุณวุฒิรู้จักวางตัว กาลเทศะบุคคลให้รู้จักการประพฤติตนให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งเหล่านี้คืออิทธิพลของพระพุทธศาสนาพวกเราก็เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราเป็นพุทธบริษัทคือเราเข้าหุ้นส่วนในบริษัทนี้เรียกว่าพุทธบริษัทในเมื่อปีหนึง่งพวกเราได้บำรุงบริษัทของเราอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้ช่วยช่วยกันคิดเหมือนกันเพียงจะได้รับคุณงามความดีและรับบุญกุศลจากบริษัทแล้วก็ไม่ไม่มีการบำรุงบริษัทของเรา บริษัทของเราก็คงจะร่อยล้อไปเรื่อยๆแต่บางคนก็มองแต่เน้มองแต่แง่แง่ลบไม่ได้งมองแง่บวกมองแง่ลบเลยยังไงเออถ้าบำรุงไปแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างงั้นล่ะให้พระสงฆ์ไปแล้วก็ใช้พระสงฆ์ก็ใช้ไปในทางอิรูจูแชแต่ตัวเองใช้ไปในทางอิรูจูแชกไม่ถูกไม่ดูแต่คนอื่นใช้อิรูจูแชกไปนะดูแต่ตามไม่จริง ก่อนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทุกองค์ถ้าหากว่าได้ปัจจัยมาใช้อลูชูแจกพวกเราคงจะไม่เห็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ บ, บริเวณวัดเป็นยังไงเอามาจากไหนหลวงพ่ออินเอามาจากไหนเจ้าอาวาดเอามาจากไหนการล้วนแล้วจะเป็นของบริษัทพุทธบริษัทให้การสนับสนุนจึงได้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพวกเรามาก็ะดะนั่งสะดวกสบาย การแดดกันฝนไม่ใช่ว่าผู้ใ ด, ดใครผู้หนึ่งเสกคาถาฟูดฟาดขึ้นมาแล้วกัเป็นกุฏิเป็นสลาเป็นวัดว า, าศาสนาขึ้นมาหาเป็นเช่นนั้นใหม่เพราะว่าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเสียสละขึ้นมากรถินบ้างผ้าปลาบ้ า, บางที่บำรุงพระพุทธศาสนาพวกเราในฐานะพุทธบริษัทเห็นคุณค่าในการบำรุงพระพุทธศาสนาก็ได้ ช่วยกันเสียสลัคนละมากคนละน้อยมีการกระถินบั่งผ้าปลาบาั่งจากนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ภายในยกหลวงตาเป็นตัวอย่างหลวงตามหาบัวเป็นตัวอย่างในเมื่อท่านได้มาแล้วคณะสัตธาญาติโยมคนกเขารบนครับถือเลื่อมใสท่านมากผีน้องประชาชนก็ทำบุญกับท่านมากในเมื่อท่านได้มาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาเข้ามาเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านก็ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยสร้างโรงพยาบาลเห็นไหมตึกสิบชั้นแล้วก็เครื่องมือแพทย์เท่าไหร่จากนั้นก็ได้รวบรวมเจตุปัจจัยกับคณะสัทยาญาติโยมก็ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองได้ท้องคำถึงสิบสามตันกว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาก็สามสี่หมื่นล้านบาทที่หลวงตามหาบัวได้ช่วยประเทศชาติยาม ขับขันก็ได้มาจากไหนก็ได้มาจากพุทธรบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้การสนับสนุนมาจากนั้นเมื่อท่านได้มาแล้วก็ท่านก็มองดูชุมชนสังคมพระพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนประเทศชาติก็ตรงอยู่ได้พึ่งพาอาศัยกันถ้าหากว่าพวกเราไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นาเป็นเครื่องนําทางแล้วเป็นยังไง ความสงบพรมเย็นเป็นถุกทางด้านจิตใจเป็นยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะส่วนลึกต้องผิวเผินอีกต่างหากนะส่วนลกึกต่างหากเหมือนกับเราเรียนหนังสือนั่นหรือเราเรียนแพทย์เรียนแพทย์ทั่วไปอีกส่วนหนึ่งเรียนเฉพาะทางอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเรียนทั่วๆไปก็คือเหมือนกับเข้ามาศึกษาภาพรวม ไอ้ทานไปยังไงรักษาศีลไปยังไงภาวนาไปยังไงภาพรวมแต่ถ้าว่าภาค เ, เข้าไปส่วนลึกแล้ว เ, เป็นเฉพาะทางแล้วก็เรื่องพระสงฆ์เรื่องพระสงฆ์ก็มีหลายมีหลายระดับอีกอพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านเขาว่า เ, เรียนปริยัติพวกหนึ่งปฏิบัติอีกพวกหนึ่ง เรียกคันถาธุระคือฝ่ายเรียนเรียนทั่วๆไปเลยว่าคันถาธุระเรียนตำรับตาราที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเทศอย่างไงอันนี้ว่าคันถาธุระแต่วิปัสนาธุระนี่เป็นอย่างไงมันก็เป็นแยกทางกันทั้งสองทางอีกเหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าทางไหนเขาต้องเรียนเฉพาะทางถ้าเรียนเฉพาะทางก็จะต้องอย่างลงไปสูวนลึก ในวิชาขแขนงนั้นๆไม่ว่าขแขนงธรรมะถ้าเราได้ฟังแต่ทางนอกเราก็อ ย, อย่างงั้นแหละแต่เข้ามาศึกษาภายในดูสิเข้ามาศึกษาภายในดูเราจะรู้ได้ว่าพุทธศาสนาส่วนลึกนีคืออะไรปริยัตปฏิบัติหรือว่ากันถาธุระวิปัสนาธุระคันถาธุระคือการเร่าเรียน ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวตรัสไว้ที่ไหนพระคันถาทุระต้องต้องศึกษามาเรียนให้รู้ทั้งหมดพระวินัยยังไงพระสูตรยังไงพระอภิธรรมยังไงเป็นมาอย่างไงแต่ละสูตรท่านก็จะได้เรียนแปลเป็นภาษาออกมาแล้วก็เป็นตำรับตำราอันนี้แหละวคันธาทุระ แต่สวนวิปัสนาธุระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในป่าไม่ได้เราเรียนลึกซึ้งในใ น, ในเรื่องนั้นแต่ลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรก็ลงมือนํามาปฏิบัติสมาธินะบอกท่านทั้งหลายให้นั่งสมาธิสมาธินะั้นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ พระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั้นท่านนั่งอย่างไรจากนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ลั่นได้นำทำคาสอนสั่งสอนมาที่ท่านได้ปฏิบัติดูแล้วท่านได้ผลแล้วท่านมั่นใจแล้วท่านี่มาสอนเราแต่ว่าความมั่นใจของท่าน เราก็ยังสงสัยความมั่นใจของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงหรือเปล่าหรือว่าความมั่นใจเฉพาะตัวของท่านเองแต่เมื่อหาสาระเนื้อจริงแล้วเป็นยังไงแต่เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเมื่อท่านตายไปพูดง่ายกระดูกของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นบ่งบอกเลยบอกว่านี่แหละคือกระดูกพระหรันแห่งกระดูกพระหานคือเป็นอัฐิธาตุเป็นเม็ดกลม ให้พวกเราได้เห็นต่ําตาต่ําใจพวกเราคงน่าจะมั่นใจเดินนี่แหละคือกระดูกพระอรหันต์ที่ท่านไปสอนไปนะั้นที่ท่านปฏิบัติมาแล้วสอนพวกเราไม่ผิดเพี้ยนไปทางอื่นแน่นี่แหละคือพวกเราได้ยึดตามแนวแถวสายพะาระอรหันต์วิธีการปฏิบัติของท่านทําอย่างไรอันนี้เราต้องศึกษาละทีนศึกษาในรายละเอียดที่ท่านสอนสอนอย่างไรอันนี้แหะคือ วิปัสนาธุระแหละตัสอนในภาคปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายพระสงฆ์หรือฝ่ายฆราวาดญาติโยมก็เหมือนกันให้พวกเราศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้อันนี้คือส่วนลึกนี่น่แหละพุทธบริษัทอย่างที่ว่ามีหลายระดับระดับล่างระดับกลางระดับสูงสุดเหมือนกับหมอหมอกมีหลายระดับ ที่ศึกษามาหมอหูหมอตาหมอแต่ละทางแต่หมอภาพรวมก็มีรักษาได้หมดทุกอย่างแต่ไม่เก่งแต่จะให้เก่งต้องเรียนเฉพาะทางอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเรียนใครบวชเข้ามาพระพุทธศาสนาก็สอนหมดนะไม่ว่าคันถาทุระไม่ว่าวิปัสสนาไาทุระไม่ว่าสัมมนเดชไม่ว่าพระพอบวชเข้ามาเลยเกซ่าโลมาหนาข่าทันตาตะโจได้เรียนด้วยกันทั้งหมด ทั้งคันถาธุระทั้งพิปัจฉนาธุระแต่พอเรียนจบเข้ามาแล้วเนี่ยคันถาธุระก็เรียนทางอ น, าางนุ ส, สรรนาสตร์แปดอย่างนิสัยสีกรรไกรณยกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยของมันประชิดเรียกนิ ส, สัยมีสีเที่ยวบินทบทัดนุ่งโฮมผ้าบางสกุลอยู่โคนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเนา่าอันนี้คือกิจของพระฮะอันนี้ก็คือป ร, ปริยัติปริยัติละท่ท่องเรียกว่าคันถาธุระท่องบนสาธยายเออ แต่ตอนนี้พังฝายปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชเข้ามาแล้วทำตนอย่างไรบิธทบาทหนึ่งคือชีวิตของพระนะให้มักน้อยสันโดดอย่างไรเที่ยวบินทบาทฉันถ้าท่านยังฉันอาหารอยู่ท่านต้องเที่ยวบิธทบาทท่านอยากขี้เกียจ ต, ต้องถือธุดงต้องเที่ยวบินทบาทหนึ่งการใช้สิ่งของของท่านใช้ผ้า ใช้ผ้าบังสกุลหนึ่งคือผ้าที่เขาตกเลี่ยราดท่านอย่าไปแผ่ไปขอไปยินดีในของหรูหรือหลาผ้าเนี่ยที่เขาเก็บมาถ้ามันมีของรหรูหลามาเอใช้ถ้าท่านไม่มีมาก็ใช้ผ้าที่เขาตกหล่นตามถนนหนทางตามป่าดงเอเอามาเย็บมาประติดประต่อให้เป็นผ้า บางสกุลแล้วว่าผ้าบางสกุลหนึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตของพระได้ไม่ใช่ว่าใช้ผ้าลูกหลาใช้ผ้าปิดปติปตอก็ได้เป็นผ้าจีบอล น, นี่ว่าผ้าบางสกุลหนึ่งถ้าหากว่ามีกุฏิศาลาที่ดีก็อยู่ที่กุฏิศาลาที่ดีก็ได้แต่ถ้าไม่มีให้อยู่โครนต้นไม้ก็ได้อยู่โคลนต้นไม้หนึ่งยาก็เหมือนกันยากแก้โรคภัยไข้เจ็บถ้าหากว่ามียาดี เอามาถวายออกมาให้แต่ก็ฉันได้ใช้ได้แต่ถ้าไม่มียาก็ยาดองด้วยน้ำหมูดเน่าหนึ่งคือเอาผ ล, ลไม้หรือเอาต้นไม้เอามาแช่น้ำหมูดเนา่าน้ำหมูดก็คือน้ําปัสสาวะต้มเสร็จแล้วก็มาแช่ให้เป็นยารักษาสุขภาพก็ได้ไอันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานหรือพวกพระ ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเที่ยวบินธบาทรหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าหนึ่งเที่ยวบินธบาทรหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าหนึ่งนี่นี่เราเปิดจจัจสี่ของพระสงฆ์จากนั้นวิธีการคิดให้พระสงฆ์เหล่านี้คิดอย่างไรนี่นี่แหละ อย่างเลืองลงไปทางภาคอปริยัติหรือว่าปฏิบัติอะไรตัว ว, วิปัสนาธุระอะไรต่วเน้นไปทางวิปัสนาธุระหละขันธาธุระนั่นคือเรียนตำราอย่างที่ว่าอขันวิปัสนาธุระกันนี่แหละวิธีการปฏิบัติทางด้านจิตใจทําอย่างไรชีวิตความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามุ่งหวังเรื่องอะไร ในการบวชของท่านในการบวชของพระสงฆ์ท่านเน้นหนักเรื่องอะไรแต่ในพวระองค์ก็สอนเลยสินสมาธิปัญญาท่านเน้นหนักเรื่องศินศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสินมีอะไรศินก็คือ227รสิบขามบวชซ่งเป็นลวกรั้วกัน้นไม่ให้ไปในทางที่ชั่ว อันนี้คือศินของพระสงฆ์227รยสมาธิสมาธิทำยังไงสมาธิคือทำใจให้จิตใจมั่นคงทำให้จิตใจเป็นหนึ่งกำหนดอะไรที่จะจะเป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับก็มาเป็นสมาธิเลยไม่ใช่จะทำยังไงจึงจิตใจจึงจะเป็นสมาธิให้กำหนดอะไรให้ทำยังไงกันว่าก่อนที่พวกท่านทั้งหลายไปบินธบาตกลับมาแล้วมาฉันแล้ว ไปหาหมุมสงบที่สงบจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้ที่แจ้งก็ได้ลอมฟังก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่เงื้อมผาก็ได้ที่สงบสงัดเมื่อหาที่สงบสงัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกนี่แหละวิธีเริ่ม ทำสมาธิในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของร่างกายตั้งแต่เกสาโลมานาขาที่ให้กรรมฐานมาตั้งแต่หัวจดเท้าของเราได้มาอย่างไรเป็นไปอย่างไรมันมีที่จุดจบใช่ไหมถึงชีวิตถึงขาวตายต้องแตกสลายตายในที่สุดใช่ไหมนี่อันนี้ก็คือสมาธิแในเมื่อมีสมาธิแลแ้วทนีศีล ส, สมาธิปัญญา ปัญญาก็บคลี่คลายคลี่คลายดูที่จิตเป็นสมาธิดีแล้วก็คลี่คลายทางด้านปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจงของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิช่ตัวตนของเราทําไมปฏิเสธยังไงที่ว่าทิฏอนิจจ์ทุกขังอนัตต์กับพิจารณาร่างกายร่างกายผมผนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไง จะอยูโชวฟ้าตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจีนีเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้เนี่ยกายกับใจใจกับกายนามธรรมกับรูปธ ร, รรมรูปธป ร, รรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนึกตัวนึกคิดเนี่ยนะอันน้คือนามธรรมแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญ เรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมให้ความสําคัญมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยยกแล้วยกเวยว่ามนโนปุพังขมาธรรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดวยใจแล้วหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังให้ชัดเอว่ารูปธรรมคือร่างกายรูปธรรมคือรถนามธรรมคือคนขับรถรถกับคนขับรถถ้าว่าร่างกายมันอยู่เฉยเฉยถ้าว่าคนขับร่างใจไม่เข้าไปอยู่ ไปไปบริหารไม่รับรู้ใจออกจากร่างใชรถคันนี้ก็หมดสภาพเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญว่าเรื่องทั้งหลายโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าหาว่าโซเฟอร์เป็นคนเกเรเป็นคนชั่วรถคันนี้ก็ชั่วไปด้วยฮ้โซเฟอร์ขึ้นไปขบับรถก็เยียบด่าไปเลยชนด่าไปเลย บีบแกด่าไป ท, ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราเหตุอะไรเพราคนโซโฟเฟอร์มันเกเรโ ซ, โซโฟเฟอร์มันเมาเหล้าโซโฟเฟอร์เป็นคนชั่วเนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าโซฟเฟอร์หรือใจของเราเป็นเป็นนักเลงเป็นอันตพานไม่ได้รับรการอบรมใจไม่มีศีลไม่ไม่มีธรรมกายตัวนี้ก็ไม่ไปชั่วไปด้วยเหมือนกันเพราะฉนั้นท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่า พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าคือใจบริสุทธิ์พุทธโธใจของพระองค์เป็นบริสุทธิ์พุทธโธแต่ใครไม่มองไปเห็นคนระดับท่านเองจึงมองเห็นพระหันด้วยกันจึงมองเห็นรู้ได้มีคุณค่าแต่ปุถุช น, นมองไม่เห็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเรามองเห็นแต่ว่าคุณงามความดีเขาเป็นคนดีเท่านั้นเอง แต่ว่าใจของเขานะเรามองไม่เห็นเมื่อเขาแสดงออกมาดูแลกายวาจาของเขาพูดดีทำดีอันนี้พอเราพอจะรู้ได้แต่ว่าคิดดีนั้นเรายังมองไม่เห็นแต่บางครั้งก็กบเกินของตัวเองบางทีก็นะั่นทำท่าพูดดีทำดีแต่ในใจเนะี่ยขมปิดชั่วแสนชั่วอีต่างหากฝัง ลูกระเบิดนิวตอนนิวเคลียร์ไว้ในจิตใจกม็มีไม่น้อยเหมือนกันแต่ภายนอกแสดงออกซึ่งความเอือเฟือ้อเอืออารีแต่พอได้โอกาสฉบโอกาสที่จะทำความชั่วขึ้นมาแล้วนั่นแหละความชั่วมันฝังอยู่ในจิตใจอย่างนั้นก็มีมากเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าการที่จะดูจิตใจของคนนั้นเราไม่ใช่ดูแบบผิวเผิน ถ้าว่าจะรู้จากว่าผู้นี้เป็นคนดีหรือคนชั่วต้องอยู่ด้วยกันนานถ้าอยากจะรู้ว่าผู้นี้เป็นผู้มีศินหรือไม่มีศินต้องอยู่ด้วยกันนานถ้าอยากจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีนิสัยอย่างไรต้องอยู่ด้วยกันนานถ้าอยู่ด้วยกันนานแล้วอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแผลบมอกมาให้เห็นแหละดีหรือชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายที่จะให้นํามาประพฤติปฏิบัติหรือว่าเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายมองคนมองตัวเองมองพระพุทธศาสนามองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องอย่างไรอะไรคือจุดยอดของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคผลนิพพานศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อทําศีลได้แล้วสมาธิดีแล้ว ปัญญาการกรองดีแล้วอันไหนจะทำอะไรอีกเท่ต่อไปในเมื่อปัญญาการกรองไตรตรองดีแล้วนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวักิเลสนั่นแหละมรรคผลนิพพานที่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือพระนิพพานพระนิพนพานหาได้ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่อยู่ที่อื่นนิพพานอยู่ที่ความรู้แจ้งเห็นจริง เห็นอันจ e in ังท no, in ุกข no ังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็เบื่อหน่ายคลายนิา n ิ b าคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราจะดุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเดังนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีการทํามาหาเลี้ยงชีพก็อย่าได้ประมาท ดอีอย่าให้อ่อนข้อกับโลกของเข า, เาไม่ใช่ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วมีแต่กระต๊อบกระแต็บกระท่อมห้อมหอ่อมีแต่ลังคามุงหญ้าไม่ใช่พระพุะทธเจ้ามาเทศน์ให้พวกเราอ่อนมืออ่อนเท้านะแข็งขันเครดดีทดําดีพูดดีมันขยันอดทนอุตส า, านะสัมปทาให้พร้อมโดยความหมั่นความขยนัน อย่าไปขี้เกียจเรามีอยู่มีกินเราอยู่เรากินอยู่เราจะไปทอดทุละต้องหมั่นขยันอุตถานสัมปทานอรคะสัมปทาเมื่อหาทรัพย์มาแล้วให้รักษาเอาไว้รักษาซัพย์รักษาหน้าที่ตําแหน่งรักษาคุณงามความดีรักษาเกียรติประวัติรักษาวงศ์สกุลรักษาพระพุทธศาสนารักษาปกป้องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า รักษาเขาเนีกว้างขวางมากอารคะสมปทากระยาณมิตรให้เลือกคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเกเลอย่าไปลอย่าไปคบคนชั่วใจของเราก็เหมือนกันใจชั่วก็จะไปคบการที่จะพูดชั่วก็จะไปคบการกระทําชั่วก็จะไปคบให้คิดดีทำดีพูดดีกา ร, รยาณมิตรต้องดีสำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อย่าไปหลอกลวงโกหกเขามาเลี้ยงชีวิตเราอย่าเอาของที่ไม่ดีมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานของเราเอาสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีริษิคิดดีทำดีพูดดีได้สิ่งที่ดีเป็นมงคลด้วยทั้งชีวิตทั้งชีวิตถ้าว่ามีแต่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วมีแต่อปะมงคลในชีวิตของพวกเราตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมไปอีกต่างหากเกิดบหน้าชาติหน้าก็ไป เป็นหมูหมากาไก่เป็นคุณหูหนวกตาบอดไปอีกมากมายเพราะกรรมชั่วของเราให้ผลกรรมชั่วอย่าทำเสีเยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละอันไหนดีพวกเราต้องศึกษา ต้องรู้จักเลือกดีคืออะไรอันไหนคือดีถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้จักเลือกเหมือนกันนะเพอเพอ เ, เขาย้อมตะกัวมาเราก็โอ้โหอันนี้ทองคำฮนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่รู้จักไ ม, ไม่รู้จักวิธีเลือกนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องโง่นะถ้าเรารู้จักวิธีเลือกแนละ้วมันก็ต้องฉลาดนะวิธีวิธีการเราศึกษา เพราะฉะนั้นที่จะฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องได้รับการศึกษาพอสมควรเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาฟังหลวงพ่อพูดอย่างวันนี้แหละพวกเรากคงจะได้ฟังถ้าสังเกตนะแต่ใช้ปัญญาสังเกตนะหลวงพ่อพูดว่าอยากถ้าอยากจะรู้จักว่าผู้มีศินหรือไม่มีศินต้องอยู่ด้วยกันนานเฮ้จริงไหม ใช่อยู่ปรเดี๋ยวประดาเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็โอ้พูดจาเพราะพิงเหลือเกินอแล้วก็ถลามเข้าไปเพอเพอเลถ้าเราใส่สร้อยสาเวนเข้าไปแล้วเขเอามีดเฉือนคอได้ง่ายๆฮงโอ้โหตายข้ารู้ว่าเขาเป็นคนดีไงรู้ได้เพียงประเดี๋ยวประดาเนี่ยแหละถ้าเราอยู่ด้วยกันนาน่ะในสิ่งที่ชั่วเขาจะต้องแผลมึงเอ้ยอผมเคยทําชั่วมายุ่งอย่างนี้แล้วนะเราโอ้ตายต้องระวังนั่นเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละคือ ความชั่วพอรังขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคิดทางนี้ทางนั้นพูดทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาน ะ, ะพุทธศาสนาไม่ให้ใช้ความซื่อบือ่อความโง่นะให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาศรัทธาก็จริงอยู่ให้มีศรัทธาก็จริงอยู่แต่สัมปยุทธ์ด้วยปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่าง น, นิสัามมะกรนังเสยโยไข้ควรทุกสิ่งทุกอย่างไปนาชสถานที่ใดอยู่นาชสถานที่ใดอยู่ด้วยความรอบครอบนั่นลหละลมเย็นเป็นสุขต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร